อย่ปล่อยใจล่องลอยฟุ้งซ่านไปอย่ามรู้สึกตัวไว้ในพอพวกเรารู้สึกตัวนะบรรยากาศอะไรมันเปลี่ยนหมดเลยมนเหมือนเปิดเปิดไฟขนะึ้นมางั้นเราอยู่ในความมืดใจเรามืดอนะย่าฝึกตัวเอง ใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับความสงบความสะอาดความสว่างใจสงบให้ใจไม่ฟุง้งซ่านวุ่นวายคิดน้นคิดนี่หลงโลกไปเรื่อยๆใจสะอาดก็ไม่ถูกกิเลสครอบงำใจมันก็สว่างสไยขึ้นมาดูสวยสดงดงาม พวกเทวดานะเขาแยกลำดับชั้นกันนะเขาดูรัศมีดูแสงของใจพวกเราก็มีรัศมีกิเลสแรงๆก็มืดหน่อยกิเลสแรงมากนี่มืดตืต้อเลยหน้ามืดคนโบราณเก่งนะมันจะสับหน้ามืด เราภาวนามาถึงวันนี้เราพอสังเกตคนรอบๆตัวเราได้ไหมบางวันดูเขาผ่องใสบางวันก็หน้ามืดมาจากใจเราใจเราก็เหมือนกันเวลาใจเราผ่องใสหน้าตาเราก็ผ่องใสใจเรามืดมัวหน้าตาก็มืดมืดดูไม่ได้ เราไม่ได้เจตนาทำใจให้ใสให้หน้าสว่างอะไรหรอกเราเรียนรู้จิตตนเองจิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ไว้อย่าพปยอมให้มันครอบงำคอยรู้มันลงไปไม่ได้ต้องไปแก่นะแต่ว่าต้องรู้ทันจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตหลงมึงมีโมหารู้ว่ามีโมหะไป รู้เฉยๆกิเลสมันดับมันเองสังเกตไหมกิเลสมันก็ต้องมีอาหารของมันอย่างเวลาเราคิดไปในทางกามคิดไปในเรื่องเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอนะไรราคะมันก็เกิดกามราคะก็เกิด เราคิดไปในทางพยาบาทขัดเคืองไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่พอใจรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้โทสามก็เกิดตามหลังความคิดมาในี่ใจเรามันคิดทั้งวันเลยเลือกไม่ได้ว่าจะคิดดีหรือคิดชั่วก็ผุดผุดขึ้นมาเรื่อยๆก็มีสติรักษาจิตไหม พอมันคิดไม่ดีนคิดไปในทางผูกพันรักใครรูปเสียงกลนรสสัมผัสกามราคะเกิดขึ้นมีสติรู้ว่ามีกามราคะเกิดขึ้นไม่ต้องไปดักตรงที่มันคิดหรอกถ้าเรื่องราวที่มันคิดตอนนี้คิดไม่ดีล้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าอันนี้คิดดีคิดไม่ดีอยะให้มันคิดนะแล้วก็คอยรู้ทัน สิ่งที่ตามหลังความคิดมาราคะเกิดทึ่มาก็รู้โทสะเกิดทึ่มาก็รู้โมหะเกิดทึ่มาก็รู้อันนี้เป็นขั้นห ย, บหยาบๆนะขั้นหยาบๆถ้าขั้นละเอียดขึ้นไปรู้ทันได้นในจิตหนีไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติทำให้ปรัสนาไม่ได้แต่เรารู้ทันจิต ที่หนีไปคิดคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองเือจิตมันหนีไปมันไหลไปมีสติรู้ทันการไหลไปก็หยุดดับไปเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนจิตที่รู้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลใหม่ห้ามไม่ได้หรอกไม่ต้องไปห้ามจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อันนี้จะไม่มีราคาโทสะห ย, ยาบๆขึ้นมา ้จิตมันค่อยละเอียดประนีตอย่างภาวนาไปจนเราช่ำชองได้ธรรมะที่ประนีตขึ้นไปเนะยเราไม่ต้องรอว่ามีราคาเราจะรู้มีโทสะเราจะรู้จิตเคลื่อนก็เห็นละหลวงพู่ดูลเลยบอกจิตสงออกนอกเป็นสมุทัยมันทำให้เกิดการทำงานของจิตตามหลังมาอีกเยอะแยะ แต่ถ้าเราดูจิตที่เคลื่อนไปไม่ทั น, นดูผลของมันราคะโทสะโมหะอะไรเกิดก็รู้ไปโมหะมันเป็นโมหะที่หยาบฟุ้งซ่านมากๆอะไรเงี้ยหดหูนะพวกนี้ไม่ดีเท่านะั้นจิตใจซึมซึมหดหูภาษาไทายฟังแล้วมันไปทางโทสนะจิตใจมันเซื่องซึมไม่อยากสนใจ สิ่งภายนอกหรือไม่สนใจอะไรเลยซึมๆนี่มันเป็นโมะหะในหัถูภาษาไทยมันไปทางถูกซะภาษาที่แปลเนี่ยบางทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ีเราก็คอยรู้ทันนะรู้ทันจิตเคลื่อนได้รู้ทันไปเลยแต่ต้องระวังอย่าไปห้ามเคลื่อนถ้าห้ามจิตเคลื่อนนะก็จิตจะเครียด ถ้จิตเคลือเรารู้งันจิตจะไม่เครียดพอไหวไหมง่ายๆฝึกเอาไม่มีอะไรวุ่นวายซับซ้อนนักหรอกกรรมาฐานนะที่วุ่นวายมากๆมกันคิดมากคิดมากเรื่องมากนอย่างเวลาพระเรียนนักธรรมเอกอะไรเงี้ยเขาสอนเรื่องสมาถะวิปนะัสสนาโอ้ยซับซ้อนมากเลย จะทำวิปัสสนาก็เริ่มต้นเรื่องการเจริญปัญญาพูดถึงวิสุทธิเจ็ดในพระไตรปิฎกท่านพูดเรื่องวิสุทธิที่เจ็ดประการไว้สี่นัวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกลางขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามรคายานทัศนาวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนาวิสุทธิตัวสุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิมีเจ็ดตัว เวลาเรียนก็เอาอยานสิบหกเข้าไปใส่เข้าไปอีกให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอกีกเรียนเยอะๆเลยไม่รู้จะลงมือทำตรงไหนหลวงพ่อก่อนจะเจอหลวปู่ ด, ดูลงพ่ออ่านแล้วนันน่อ่านแล้วจะเริ่มยังไงเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะหลายหลายหมวดเอามาซ้อนซ้อนซอนกันดูแล้วแตกฉานแตกฉานแต่ว่าเอาไปใช้จริงไม่ได้ เจอลงพุ่ดูล่นสอนอยู่ที่เดียวเข้ามาที่จิตเลยเห็นจิตมันทํางา น, นแล้วก็พัฒนาการมันก็เป็นอย่างที่ตําลาบอกนะ่นะนี่ตำลาบอกพัฒนาการไม่เป็นขั้นๆอย่างหยาบเจ็ดขั้นอย่างละเอยียดสิบกขั้นเลยเนี้ยสอนแต่มาอาสองงานนี้มาซ้อนกันเอาอีกเวลาจะภาวนาขโมยแต่คิดตอนนิญาณเท่าไหร่เะไปไม่รอดอนะ เอาปัจจุบันนี้แหละจิตใจเราเป็นไงก็คอยรู้เท่าทันไปง่ายๆหลวงปู่มั่นวได้จิตก็ได้ทำเห็นจิตก็เห็นธรรมนะไม่ได้จิตจิตหายไปก็ไม่ได้ธรรมะจิตของเราหายบ่อยหนีไปคิดแล้วก็เพลินไปอยู่ในโลกของความคิดพยายามรู้เท่าทันจิตตัวเองไปวีสุที่เจ็ดมันก็เกิดทั้งหมดแหละ โรถยานก็เกิดทั้งหมดแหละเราให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็ไตรลักษณ์ของกายของใจได้มีเงื่อนไขก็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องอยังมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางยังหลวงพ่ารวมเรื่องปัญญากับเรื่องสมาธิรวบอยู่ในประโยคที่ต่อกันนะ ให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเราได้สมถะถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นวิปัสสนานี่จะทำวิปัสสนาได้ถ้ามีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยประโยคเดียวนี้คลุมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแล้วก็บอก เล็ดลับเลยตัวสำคัญที่จะทำให้เราเจริญปัญญาได้สมาธิที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนประโยคที่หลวงพ่อพูดสั้นๆนั้นแหละถ้าเอาไปปฏิบัตินะครอบคลุมการปฏิบัติที่สำคัญไม่หมดละไม่มีไม่ได้พูดเรื่องศีลเอาไว้แต่ถ้ามีสติศีลมันมีเองถ้ามีสติ สมาธิมันก็มีได้มีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องปัญญามันก็เกิดได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาะซึ่งตัวหลักของมันก็มาจากสตินั่นแหละตัวศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์วิมุตต์ก็เกิดขึ้นได้วิมุตต์ก็คือการบรรลุมรรคผลพอบรรลุมรรคผลแล้วมีมุตติญาทณทัศนะก็เกิดขึ้นได้ วิมุตยานทัศนาเนี่ยในคำผีก็คือตัวญาตัวที่สิบหกปัจเจเวคนาญาณเป็นการย้อนไปดูว่ากิเลสอะไรละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดอีกแล้วด้วยกำลังของมรรคนตัววิมุตยานทัศนาจะเห็นตัวนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากเนย มีสติรู้กายรู้ใจตัวเองไปขณะที่รู้กายรู้ใจได้สมาธิอยู่ในตัวลนะแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆนะจนมันเห็นถ้าสมาธิมันพอมันจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ดูกายอย่างเราดูท้องพองยุกนะเห็นท้องพองท้องยุกมีสติรู้กาย ได้สมถะนี่ถ้าเราเห็นท้องที่พองท้องที่ยุบไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราของเรานะเป็ น, น, น, น, ปปนของนนถูกรู้ถูกดูอันนี้คือการเห็นตามความเป็นจริงขึ้นวิปัสสนาแล้วขึ้นได้แต่จตจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องมีสมาธิตั้งมั่น แล้วเป็นกลางรา้จิต ท, ที่ตั้งมั่นแหะเป็นกลางก็ต้องฝึกต้องพัฒนาขึ้นมาองค์ธรรมที่เราต้องพัฒนานะศีลเนี่ยต้องพัฒนาแล้วก็สติเ่ต้องพัฒน า, ส, ฒนาสมาธิต้องพัฒนาพัฒนาสติด้วยการเห็นสภาวะบ่อยๆ อ, อย่างเราหัดรู้กายหรือรู้ใจอะไรเนะี่ยคอยดูสภาวะบ่อยๆเช่น ท้องพองท้องยุบนะี่ยก็ค่อยรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งท้องนะแค่รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวหยุดนิง่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งไปมันพองมันยุบเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ได้สมาธิแต่ถ้าจิตเราถลำลงไปที่ท้องเราจะได้มิจฉาสมาธิถ้าจิตเราเป็นคนดูอยู่เห็นท้องพองท้อ ง, องยุบเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบนะ จิตจะตั้งมั่นเนี่ยมันมีแง่มีมุมนะมีลีลาถ้าเราอยากพักผ่อนจิตลงไปอยู่จับอยู่ที่ท้องเลยเลยจับอยู่ที่ลมหายใจจับอยู่ที่ร่างกายที่กำลังยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพ่งกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ได้สมาธิถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นก็สังเกตไปตรงที่เรา รู้ทันท้องรู้ทันมือรู้ทันเท้ารู้ทันลมอะไรเงี้ยจิตมันไหลไปที่ท้องที่มือที่เท้าที่ลมหรือเปล่าถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมถะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะจะได้สมาธิอีกชนิดนึง ถ้าจิตไหลไปรวมนิ่งอยู่กับอารมณ์ก็ได้อารมณูปนิชฌานสมาธิสงบนะถ้าจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องที่มือที่เท้าที่ลมเราเห็นว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะดิดตัวตั้งมั่นขึ้นเองเราจะได้ลักขณูปนิชฌานพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วขั้นนี้มันจะเริ่มเห็นความจริงแล้วนะในขั้นของวิปัสสนาเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่นะมันถูกรู้ถูกดู มันจะรู้สึกเลยไม่ใช่เราหรอกจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอย่างพวกเราตอนนี้รู้สึกไห้ร่างกายกำลังนั่งอยู่ลองพยักหน้าสิรู้สึกไห้ร่างกายพยักหน้าอยู่สังเกตไหมร่างกายถูกรู้เนี่ยขันมันแยกแล้วตรงที่ขันมันแยกได้เพราะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันไม่แยกหรอกขันนี้ไปรวมเป็นกระจุอยู่ด้กัน จิตเราไหลไปรุมอยู่ที่ท้องไม่ใช่มิปัา ส, สนาชอบบอกว่าเป็นคอสมิปัา ส, สนาหลวงพ่อไม่เห็นจะทํามิปศา ส, สนาสักกี่คนเลยนะส่วนใหญ่นะจิตจมลงไปอยู่กับอารมณ์ดูลมหายใจจิตไปจมอยู่ที่ลมขยับมือจิตก็เพ่งไปอยู่ที่มืออะไรเงี้ยเดินจงกรมนะจิตไปอยู่ที่เท้าบางคนจิตลึกซึ้งกว่า น, นั้นอีกลงไปอยู่ที่พื้นเอาจิตไปอยู่ที่พื้นมันจะได้อะไรมีใครเห็นว่าพื้นนี้เป็นตัวเราไหม เห็นก็บ้าแล้วะไปปรึกษาหมอเลยไม่ต้องฝึกคลากรรมฐานอะไรหรอกนไม่ใครหรอกไปเห็นพื้นหินเนี่ยเป็นตัวเราไม่ไมีเห็นใ้ตัวก้อนนี้นะฮะเั้นอย่าให้เกินกายออกไปเดินจงกรมมันอย่าให้เกินกายออกไปอย่าให้ทะลุลงไปที่พื้นอยู่ในกายเนี่ยเห็นกายมันเดินพอใจมันจะถลําลงไปในกายรู้ทันใจมีดีด ต, ตัวขึ้นมาเอง เราจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากรเรารู้ทันรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมัน่นจิตที่ไหลไปทางโน้นทางนี้ทันทีที่รู้ว่าจิตไหล้จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเ น, นี่คยค่อยๆฝึกอย่างนี้เพราะฉนั้นมีสติรู้กายรู้ใจไปถ้ามีสติรู้กายรู้ใจแล้วจิตไหลลงไปในกายในใจได้สมาธิชนิดสงบ พักผ่อนเฉยๆโง่ๆอยู่งั้นแหละแล้วถ้ามีสติรู้กายรู้ใจอยู่นะจิตมันไหลลงไปที่กายหรือที่ความรู้สึกนึกคิดเรารู้ทันะจิตมันจะดีขึ้นมาเป็นผู้รู้พอจิตมันดีตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้แล้วเราจะต่อวักต่อไปได้ล้วเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ ร่างกายนี้ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูโลภไม่ใช่จิตโกรธไม่ใช่จิตหลงไม่ใช่จิตสุขทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยค่อยๆดูไป ต่อไปพอจิตละเอียดประนีดมากขึ้นนะโลภโกรธหลงเกิดนิมเห็นเรื่ของข้างนอกนะมันดับไปจิตี่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยก็ได้จิตผู้รู้ที่มีกำลังแก่กล้าขึ้นมาแนะตัวเนี้ยอย่ารักษาไว้อย่ารักษาจิตมันอยากคิดให้มันคิดทันทีที่จิตคิดเกิดจิตรู้ก็ดับนี่เราจะเรียนจนเห็นว่าจิตรู้ก็เกิดดับนะ ค้ายๆเรียนไปเวลาจิตหลงไปคิดจิตรู้ก็ดับเวลาหลงไปดูจิตรู้ก็ดับเวลาหลงไปฟังจิตรู้ก็ดับหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสจิตรู้ก็ดับแล้วก็เห็นว่าตรงที่จิตมันหลงไปตัวรู้ดับจิตหลงมันเกิดมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปจิตหลงดับจิตรู้เกิดเนี่ยสลับกันอยู่านี้ นี่เป็นการดูจิตในขั้นละเอียดมากๆเลยนะเห็นจิตเกิดดับนะถ้ายังเห็นตัวนี้ไม่ได้ก็จิตมีราคารู้ว่ามีราคามีโทสารู้ว่ามีโทสารู้นี้ไปก่อนนะพอละเอียดขึ้นนะก็ค่อยดูไปค่อยละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อละเอียดเต็มที่มีเห็นนะตัวผู้รู้ว่าเกิดดับ ยากไหมเพงจะยากอีกสอนขนาด น, นี้ไม่ยากแล้วนะง่ายกว่า น, นี้ก็ไม่มีแล้วง่ายกว่า น, นี้ก็หลอกๆ ก, กันละละก่อนจะนั่งสมาธิไปจุดธูปไหว้พระนะอทิฏฐานถ้าจินรวมจะถวายหัวหมูดนะ <c oughs> ังนั้นก็โง่แล้วลนะ่ะเสียไปล่ำเวลา อย่างเนี้ยร่างกายนั่งอยู่รู้ไหมรู้ร่างกายนั่งได้สมาธิแล้วถ้าเห็นร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราเหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราเหรอกแต่ถ้าไม่ใช่คิดนะถ้าคิดอ่ยังไม่เป็นวิปัสนาแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเหรอกเป็นวัตถุอันนี้ได้วิปัสนาแล้วจะมีวิปัสนาได้มีเงื่อนไขที่ต้องตั้งมั่นเป็นกลาง ถ้าไม่เป็นกลางมีปรัชนาก็พังเหมือนกันอย่างเราเห็นจิตมีราคะเกิดขึ้นเราไม่ชอบเนี้ยไม่เดินในปรัชนาแล้วสมาธิยังจะแตกเลยเจิตจะต้องตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูเป็นกลางบางคนบอกว่าทําไมพูดเรื่องจิตผู้รู้ผู้รู้รเนี่ยพระครูบาอาจารย์วัดป่าชอบพูดมันอยู่ในพระไตรปิฎกหรือเปล่า ไม่มีในพระไตรปิฎกก็ไม่ภาวนาก็าไม่รู้หรอกว่าตัวไหนถ้าภาวนาก็าจะรู้เลยว่าจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมันมคือจิตที่ตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมาทำอะไรก็ทำหน้าที่ของจิตจิตทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รู้ ้จิตผู้รู้ก็คือจิต ท, ที่รู้สภาวะตามหน้าที่ธรรมดาของจิตนี่แหละแต่จิตพวกเราพอรู้สภาวะแล้วมันหลงปรุงแต่งมันหลงยินดีหลงยินร้ายเข้าไปแทรกแซงสภาวะอย่างร่างกายเราไม่สบายนะจิตก็โมโหอะไรย่างนะี้จิตไม่ได้ป่วยเช่ไหนแต่ว่าพอร่างกายป่วยจิตมันโมโหมแทรกแซงถ้าไม่แทรกแซงก็คือจิตมันรู้ว่าร่างกายป่วย ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันป่วยจิตเป็นคนดูเนี่ยจิตทําหน้าที่ของจิตตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตผู้รู้จิต ท, ที่ทําหน้าที่ของจิตนั่นแหละแล้วทำหน้าที่เกินจากนั้นก็คือเข้าไปแทรกแซงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินนะบางคนบอกว่าพวกพระป่าสอนอะไรลเลอะเทอะจิตผู้รู้ไม่เห็นมีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยก็คําว่าจิตนั่นแหละ คืออะไรก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตผู้รู้ก็คือจิตนั่นแหละแต่มันเป็นจิต ท, ที่ทำหน้าที่ของจิตจริงๆไม่ใช่ทำหน้าที่แทรกแซงอารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่อพิธรรมสอนอย่างนี้เราจะต้องพัฒนาตัวเองจนเข้าถึงธรรมชาติตัวนี้ขึ้นมาวิธีที่จะได้จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ก็คือรู้ทันจิต ท, ที่มันเป็นผู้หลงนั่นแหละ เวลาหลงนะมันก็ไปแทรกแซงแลหลงตามอารมณ์ไปบ้างหลงไปดัดแปลงอารมณ์บ้างหลงไปรักษาอารมณ์บ้างหลงอยากได้อารมณ์บ้างหลงอยากได้อารมณ์มันไปด้วยอํานาจของกามตันหาหลงอยากแทรกแซงรักษาอารมณ์้เป็นด้วยอํานาจของภาวะตันหาหลงอยากแทรกแซงโดยการไปดับอารมณ์นะด้วยอํานาจของวิภาวะตันหา จะฝึกจิตจนมันเป็นจิตที่เป็นกุศลจริงๆอ่ ะ, อะคือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละมีครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้พูดภาษาที่คนฟังไม่รู้เรื่อง อ, อย่าพูดภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องก็ได้จ ะ, ะสร้างมหากุศ ล, ลจิตญาณสัมปยุทธอสังคาริกงังนะพวกเราจะตายชักเลยฟังแล้ว <laughs> พูดว่าจิตมันรู้ขึ้นมานนการจิตมันหลงไปอ่ะพูดอย่างนี้ฟังรู้เรื่องไหมมันรู้ขึ้นเองนะไม่ได้เจตนาจะรู้ตรงนี้คือตรงคำเพราะว่าอาังาขาลิกังไม่ได้บิ้วมันรู้โดยไม่ต้องบิ้วไปคอดูจิตตัวเองไปแล้วไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ หมอเขาไม่ให้หลวงพ่อพูดยาวๆแล้วเดี๋ยวนี้ให้พูดทีหนึ่งไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแต่เวลาหลวงพ่อสอนเช้านี่ครึ่งชั่วโมงพูดกับกรรมการอีกพูดกรรมการเสร็จนั้นฉันข้าวสิบห้านาทีออกมาพูดต่ออีกถึงสิบโมงไปพูดกับพระอีกเขาบอกว่าไม่ไหวหรอกนานๆนนนะเส้นเสียงเพิ่งเพิ่งรู้จักคำว่าเส้นเสียงนะั่นเดี๋ยวเส้นเสียงมันไม่ยอมพูดด้วยละ